ตอนนั้นนี่เสื่อมพอสมควรเลยแหละปัญต์มีบัญญัติเพิ่มสิ่งใหม่ๆปัญต์ถ้าหากว่ามีแต่สิ่งที่บัญญัติขึ้นใหม่ๆแล้วศ า, าสนานี่ของใครบอกศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเรามาช่วยกันบัญญัติใหม่ๆนี่มันศาสนาของใครก็ถ้าบอกว่าศาสนาของพวกเรากันเองแล้วเรามาบัญญัติกันมันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาว่าอ้างคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบัญญัติหลักการของตัวเองเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเป็นของ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เป็นเครื่งพวกแอบแฝงครานนี้ถ้าแอบแฝงนี่อะไรจะเกิดขึ้น น, นะันสัตว์ทั้งหลายก็เสื่อมจากบุญตัวเองก็จะประสบบุญไม่ใช่ประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากแล้วก็พระาศาสนาคำสอนที่ประกอบไปด้วยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาของพระพุทธเจ้าก็หายไปจากโลกนะ่นะหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าภิกษุที่ จงใจล่วงละเมิดอาบัตเล็ก ๆ, ๆน้อยๆก็ชื่อว่าไม่สมาธานประพฤตในศีขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติไว้เช่นกับพระพิสุอัศชิปุณพะพสุกะเป็นต้นพวกนี้ก็แกล้งล่วงละเมิดเนี่ยนะเห็นว่าเออไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยนะสมัยนี้แล้วอะไรก็หาข้อเหตุโ้ออ้างจนไม่ต้องรักษาวินยัยอธิมาอธิบายได้โดยเหตุผลที่ตัวเองไม่ต้องรักษาพระวินัยเนี่ยนะ พันถ้าทำอย่างนี้ก็อย่างว่ า, าศาสนาก็เสื่อมซึ่งแต่ถ้าทำตรงกันข้ามอย่างเช่นภิกษุทั้งหลายไม่แต่งวัดกติกาหรือบัญญัติสิกขาบทขึ้นใหม่แสดงเฉพาะคำสอนจากธรรมวิไนก็คือแสดงตามกล่าวตามปฏิบัติตามไม่ถอดถอนสิกขาบทเล็กๆน้อยๆ อ, อย่างนี้ชื่อว่าไม่บัญญัติข้อที่ไม่ทรงบัญญัติไม่ทอดถอน ข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานประพฤติในศิกขาบทคือทิศีลทิ จ, จิตหรือพระวินัยเป็นต้นตามที่พระองค์บัญญัติเอาไว้ปฏิบัติเหมือนท่านพระอุปเสศปฏิบัติเหมือนท่านพระยาศากาการทบุตรปฏิบัติเหมือนท่านพระมหากรสปะผู้ตั้งแบบแผนมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ทําสมัยพรถมสังขยนาอ่ามีพระผู้ทพพศบทหนึ่งเดี๋ยวเราเรียนไปข้างหน้าว่าถ้าสง์ ถ้าสงเห็นสมควรจะเพิกสิกษาบทเล็กน้อยบ้างก็พระ อ, องค์อนุญาตะนะทีนี้พระมหากัะสปะท่านก็ตั้งแบบแผนตั้งเป็นยติขึ้นมาเลยว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายสุนาตุเมอาวุโสสังโคท่านผู้มีอายุทั้งหลายขอสงจงฟังข้าพเจ้าศิกขาบททั้งหลายของพวกเราเป็นส่วนของเครือขันธมีอยู่แปลว่าเครือขันธ์เขาก็รู้นะว่าศีลของพวกเราเป็นยังไง แม้เครือหัสทั้งหลายก็รู้ว่าสิ่งนี้สมควรแก่สมณะสักยะบุตรของพวกท่านสิ่งนี้ไม่สมควรแก่พวกท่านคารวะที่เป็นบัณฑิตไม่ใช่น้อยเขารู้นะว่าอะไรควรแก่ทำมควรแก่พระพิสุอะไรไม่สมควรแก่พระพิสุก็ถ้าหากว่าพวกเราจักถอดถอนสิกขาบทเล็กๆน้อยๆกันซช่เนี่นะถ้ามาช่วยกันรื้อถอนอย่างเงี้ยนะก็จักมีผู้กล่าวเอาได้ว่า สิกขาบทที่พระสมณโคดมบัญญัติแก่สาวกทั้งหลายตั้งอยู่ได้ชั่วควัญไฟนะเรียกว่าชั่วชั่วยุพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองชั่วควันไฟอ่ะนะสาวกเหล่านี้ศึกษาศิกขาบททั้งหลายตราบเท่าที่ศาสดาของพวกสาวกเหล่านี้ยังดำรงอยู่เพราะศาสดาของสาวกเหล่านี้ปริณิพานเสียแล้วบัดนี้สาวกก็ไม่ยอมศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเขาจะว่ากันเอาเพราะฉะนั้น ถ้าว่าพิว่าตัวนี้แปลว่าเพราะฉะนั้นเหตุผลดังกล่าวไปทั้งหมดสรุปว่าถ้าความพร้อมพั่งของสงถึงที่แล้วสงไม่พึงบัญญัติข้อที่ไม่ทรงบัญญัติเอาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่มีการบัญญัติเพิ่มไม่พึงถอดถอนข้อที่ทรงบัญญัติเอาไว้แล้วพึงสมาทานประพฤติในศิกขาบ ท, ทั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติเอาไว้อันนี้ถือว่าเป็นยติเลยนะเป็นยติเป็นคําสั่งเรียกว่าคําสั่งคณะสง์ นะคําสั่งคณะสงฆ์มีพระอรหันต์คือพระหมหากรสปะเป็นประธานเนี่ยนะตอนที่ทําสังขยาาครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็ได้บัญญัติแต่งตั้งเอาไว้แล้วอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใด เ, เพิกถอนถอดถอนหรือว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็มีผิดมีความผิดตามสมควรแก่ความผิดของตนเนี่ยนะก็อย่างว่ายิ่งในยุคนี้ก็ถือว่าบุญบาปก็ถือว่าเป็นของเฉพาะตัวถ้าใครที่ คิดว่าตัวเองยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยสิ่งที่เรากระทำเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีๆเนี่ยนะเพราะว่าบาปนั้นก็อยู่ที่ที่ไหนกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้ประกอบด้วยสุจริตธรรมทั้งหลายเพราะสุจริตธรรมทั้งหลายเป็นเหตุแห่งความสุขและความเจริญถ้าไม่ปฏิบัติตามสจมาุจริตธรรมก็แปลว่าทํำทุจริตธรรมทําทุจริตธรรมให้ผลเป็นสุขหรือ เป็นทุกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ด้วยกรรมของเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่สังวรไม่ระมัดระวังเนี่ยนะบาปก็จะตกบนศรีรษะของพวกเราเพราะฉะนั้นก็ต้องระแวดระวังว่าจะต้องไม่บัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่บัญญัติเนี่ยนะไม่เพิกถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติแล้วสมาทานศึกษาเล่าเรียนตามคำสอนพระองค์บอกว่าถ้าทำอย่างนี้เจริญขึ้นโดยที่ไม่มีเสื่อม ไม่เสื่อมจากอธิศีนอธิ จ, จิตและอธิปัญญาไม่เสื่อมจากธรรมวินัยของพระองค์แต่ถ้าหากว่าทำนอกรีธนอกรอยเป็นต้นอาจจะมีลาบสการะเพิ่มขึ้นอาจจะมีบางคนที่คนเขา่าอาจจะชื่นชมมากขึ้นแต่ที่แน่ๆก็กอดคอกันไปอบายนนะนี่ต่อไปข้อสี่ดูก่อนพิกูุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักศักการะและเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นภิกษุผู้รู้ผู้รัตตัญยูรัตตันยูก็คือรู้ธรรมวินัยเป็นอย่างดีบวชมาแล้วนานผู้เป็นบิดาแห่งสงฆ์เป็นปริณายกนำภิกษุสงฆ์ปฏิบัติในสิกขาสามและยังเชื่อถือโอว่าที่พึงฟังของท่านด้วยตลอดการเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวเท่านั้นหาความเสื่อมไม่ได้กล่าวว่าดำรงมั่นอยู่ในโอวาทของผู้ที่เป็นสังฆบิดาเนี่ยนะเป็นสังฆบิดรหมายความว่ารักพระภิกษุสงฆ์เหมือนลูกและให้โอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเพื่อเพิ่มพูนบริบูรณ์ในอริยทรัพย์อัตถกถาอธิบายว่าคำว่าคารพะเถระเระถระก็คือผู้มีความมั่นคง และมีคุณธรรมที่ทำให้ถึงความมั่นคงมั่นคงในอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาเป็นรัตตัญยูรูราตรีนานก็คือบวชมานานแล้วผู้อยู่ในฐานะเป็นพ่อเป็นบิดาแห่งสงสังฆะปรินายกาก็คือเป็นสังฆะปรินายกบริหารสงฆ์ให้พระพิสุสงฆ์เนี่ยนะดรงมั่นหรือท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าในการปฏิบัติศึกษาบทศิศกขาสาม นะท่านเป็นหัวหน้าพาเจริญอธิศีณอธิจิตและอธิปัญญาพาศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตามคำสอนถ้าหากว่าภิกษุใดไม่กระทำการสักการะเคารพนับถือบูชาพระเถระเหล่านั้นไม่ไปปรนิบัติวันละสองสามครั้งเพื่อรับโอวาทพระเถระแม้เหล่านั้นก็ไม่ให้อวาทก็ไม่กล่าวเรื่องประเพณีข้อวัดปฏิบัต ไม่ให้ศึกษาในธรรมปริยายอันเป็นสาระแก่พิสูน์ทั้งหลายท่านก็ไม่แนะนำว่าอะไรเป็นสาระศีลเป็นสาระอย่างไรสมาธิเป็นสาระอย่างไรปัญญาเป็นสาระอย่างไรเนี่ยนะอะไรเป็นแก่นสารในพระาศาสนาเป็นต้นก็อดฟังก็ไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเมื่อไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นสาระพิสูุเหล่านั้นถูกพระเถระเหล่านั้นสลัดเสียแลว้ว ก็เสื่อมจากคุณเสื่อมจากธรรมะขันธ์ทั้งหลายเสื่อมจากศีลขันธ์เสื่อมจากกองแห่งศีลกองแห่งสมาธิกองแห่งปัญญากองแห่งวิมุตติกองแห่งวิมุตติญาณทัศนะเสื่อมจากอริยทัพย์ทั้ง7ดเสื่อมจากศรัทธาเสื่อมจากศีลเสื่อมจากนิธิโอตตะเสื่อมจากสุตะเสื่อมจากจากขะแล้วก็เสื่อมจากปัญญาในที่สุดเสื่อมทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นพระพิสุเหล่าที่ไม่มีความเคารพใน พระพุทธศาสนาในที่สุดท่านก็ไม่สามารถอยู่ในศาสนาได้ถึงอยู่ได้ก็สักแต่ว่าห่มผ้าไปเท่านั้นเองไม่มีคุณธรรมของผู้ที่ดำรงอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวเลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่เคารพผู้ที่ควรเคารพแยกแยะครูอุปชาอาจารย์ที่ดีมีคุณธรรมไม่ได้ตัวเองก็เลยไม่มีโอกาสจะได้ประพฤติปฏิบัติตามคาสอนที่เรียกว่าเสื่อมจนไม่รู้จะเสื่อมยังไงแล้วว่างั้นแ ดีว่าบุญเก่านํามาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นเองถ้าบุญเก่าหมดเมื่อไหรก่ก็ถ้ามีอยู่ศัพท์หนึ่งในแปลคำถามอาวังซิโรแปล ว, ว่าผู้มีหัวทิมลงแล้วว่าไงอันนี้นทิมไหมถ้าหัวหัวตั้งมันดีใช่ไหมถ้าหัวทิมไม่ได้ดีอะไรเลยเนี่ยนะส่วนภิกษุเหล่าใดกระทําการสักการะเคารพนับถือบูชาปรนิบัติพระเถระเหล่านั้นเดี๋ยวต้องเลือกนะตรงนี้เน้นพิเศษคือบูชาจะปูชนียานัง น, นะ ไม่ใมเห็นว่าบวชนานก็เอาเลยแหละไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายคําว่าเป็นผู้ที่ทรงคุณน่ะนะพระเทระแม้เหล่านั้นก็ย่อมให้โอวาทแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าเธอพึงก้าวไปอย่างนี้เจริญสัมปชัญญะในการก้าวไปและถอยกลับสัมปชัญญะสี่นะนะสัตตะสัมปชัญญะโคจรสัมปัชย์ยะสปายสัมปัชัญยะอสัมโมหสัมปัชัญญะในการก้าวไปและถอยกลับ เธอพึงดูอย่างนี้พึงเหลียวอย่างนี้ดูอย่างไรศาตตกะสัมปชัญญะโคจรัสั ป, ปายะและอสัมโมหสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเธอพึงคู่พึงคู่อย่างนี้พึงเหยียดอย่างนี้พึงทรงบาทอย่างนี้จีวรอย่างนี้ก็สอนสัมปชัญญะคล้ายๆสัมปชัญญะบัพพะนั่นเองก็สอนอว่าเออเนี่ยก้าวไปอย่างนี้ถอยกลับอย่างนี้เป็นอธิศีนอธิ จ, จิตและอธิปัญญา แลเลียวอย่างนี้เป็นอธิศีน์อธิจิตอธิปัญญาก็สอนในทุกทวานไม่ว่าจะก้าวไปถอยกลับแลเียวคู่เหยียดยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งขบชันนุ่งห่มเป็นต้นก็เป็ น, น, ปนสิกขาสามไปหมดเลยเพราะว่าท่านก็เหล่านั้นก็จะแนะนำโอวาศสั่งสอนสั่งสอนเรื่องประเพณีข้อวดัดปฏิบัติที่เรียกว่าอริยวงว่าวงของพระอริยเจ้าเขาปฏิบัติกันอย่างไร ศึกษาธรรมะปริยายที่เป็นสาระเนี่ยนะเกื้อกูลต่ออธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาพร่ำสอนทุดง13ากระทาวัตถุ10ประการเนี่ยนะสั่งสอนเรื่องมักน้อยสันโดษไม่ครุกคลีปรารบความเพียรความวิเวกเนี่ยนะสั่งสอนอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาวิมุติวิมุติยานทัศนะพระพิสุเหล่านั้นเมื่ออยู่ในโอวาทของพระเถระเหล่านั้นก็จะเจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลาย สีรวิสุทธิดำเนินตามสีรวิสุทธิจิตตวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิมคามคายานทัศนวิสุทธิญาทัศนวิสุทธิในที่สุดก็ทำสามั ญ, ญผลโสดาปฏิผลให้แจ้งสกทาคามีผลอานาคามีผลอรหัตตผลให้แจ้งด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วนี้นี่แหละเรียกว่าเคารพนับถือบูชาเพราะว่า เราก็ปฏิเสธเกี่ยวกับบุคคลที่เรียกว่าครูอาจารย์ไม่ได้เนี่ยนะเว้นไว้แต่เราเป็นบุคคลกลุ่มพิเศษเนี่ยนะเป็นคนพิเศษที่เรียกว่ามองเห็นพระไตรปดฎกเข้าใจหมดเลยเข้าใจพุทธประสงค์อู้ปัญญาแตกชั้นนะมองเห็นและเข้าใจทั้งหมดที่เรียกว่าฟังจากครูอาจารย์ที่มาตรฐานกับความเข้าใจของตัวเองเทียบกันได้เป๊ะถ้าอย่างนี้ก็ออทําบุญมาดีนะก็เป็นบุคคลพิเศษไป แต่ว่าแต่ถ้าพูดถึงบุคคลธรรมดาทั่วๆไปเราก็ปฏิเสธครูบาอาจารย์เป็นต้นไม่ได้เพราะต้นแบบนี้สําคัญถ้าว่าได้ต้นแบบที่มาตรฐานถ้าเราไม่เคารพไม่ใส่ใจไม่ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามเสื่อมแน่นอนก็เสื่อมจากอะไรก็เสื่อมจากศรัทธาเป็นต้นมันวิธีตรวจสอบว่าการศึกษาของเราเนี่ยเจริญอยู่หรือเสื่อมลงเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงเช็คจากอะไรทีจริงก็ตรวจได้เนี่ยนะจากคําสอนที่กล่าวมาแล้วเนี่ยหนึ่ง ดูใชว่ากองแห่งศีลของเราเพิ่มพูนไหมกายวาจาใจของเราเป็นอย่างไรบ้างถ้ากองแห่งศีลศีลดีขึ้นแสดงว่าถูกต้องถ้าศีลเลวลงนะเสื่อมลงทุกวันก็แปลว่าเสื่อมแล้วเนี่ยนะอธิอาิศีลเป็นยังไงอธิ จ, จิตเป็นยังไงเนี่ยนะสภาพจิตมั่นคงขนาดไหนคุณธรรมเพิ่มพูนไหมอธิปัญญาเนี่ยนะไครคัรวอริยสัจไปถึงไหนบอกโอ้วันทั้งวันไม่นึกถึงเลยนะโอ้ยมันสุดสุดแล้วว่างั้น อันนั้มันก็เรียก อ, อะไรนะมันสุดแล้วดีว่าบุญเก่ายังรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้เท่านั้นเองอนนถ้าหมดบุญเก่าเมื่อไหรก่ก็อย่างว่านะเพราทีนี้อีกอย่างหนึ่งวิธีตรวจสอบก็ตรวจสอบหนึ่งอริยทรัพย์เนี่ยนะเอาอริยทรัพย์มาตรวจดูเป็นยังไงศรัทธาในพระพุทธเจ้าเอาปีต่อปีมาวัดไหมว่ามันนานไปมั้ยนะนะก็ดูว่าศรัทธาของเราเนี่ยนะเพิ่มพูนขึ้นไหม บอกอุย้ยเพิ่มพูนมากศรัทธาอะไรอุย้ยมีความเชื่อมั่นขึ้นเยอะนะเชื่ออะไรไม่รู้มันเชื่อมั่นตัวเองอะเนี่ยอันนี้เรียกไม่ศรัทธาเหรอเชื่อมั่นตัวเองอะตัวไหนเนอะก็มาไม่แน่ใจไม่กันนะบอกโอ้ยเชื่อมั่นตัวเองมากเลยตัวไหนตัวมานะหรือตัวอะไรก็ไม่ทราบเนยนะบอกเชื่อมั่นตัวเองสูงมากเลยเพราะฉะนั้นมีแต่ความมั่นอกมั่นใจเหรอ มั่นใจไหนเนาต้องเช็คใจให้ถูกนะว่ามั่นในโลภะมั่นในโทสะมั่นในโมหะมั่นในมานะมั่นในทิฐิก็อเอาอากุศลเจตสิกมาเช็คดูว่ามันมั่นเข้ากับตัวไหนบอกมั่นใจจริงๆเอาใจมันมีหลายประเภทนี่ยนะก็เช็คให้มันดีๆว่าใจกลุ่มไหนบอกแต่มั่นใจเนี่ยนะใจไหนใจที่มีพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เออถ้าอย่างไงเขา ย, ยัางชั่วหน่อยนะ มั่นใจมากหมายความว่าใจของเขาเนี่ยผ่องใสาอารหังก็ปลื้มผ่องใสามากมีความสุขที่ได้ยินคําว่าอารหังว่าเห็นเลยอารหังไกลาจากกิเลสกําจัดฆ่าสึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรอนะไม่มีความลับในการทําบาปผู้ควรแก่รับเครื่องสักระเป็นผู้ควรยกย่องสรรเสริญห่างจากคนชั่วอยู่ใกล้ต่อคนดีคนดีไม่ทอดทิ้งท่านก็ไม่ทอดทิ้งคนดี ว้าน่าชมเชยผ้าอรหันนี่ดีจริงๆเลยเนี่ยนะใจเริ่มใสขึ้นเมื่อก่อนเริ่อมใสพระพุทธเจ้านิดเดียวตอนนี้ศรัทธาอรหันเพิ่มขึ้นสำ ม, มาสัมพุทธโธก็เพิ่มขึ้นวิชาจรณะสัมปันโนก็เพิ่มขึ้นสุขโตโลกกวิทูอิติปิสโสดีหมดทุกคำเลยถ้าอย่างนี้ก็ก็ยังชั่วหน่อย นะก็ศรัทธาเพิ่มขึ้นนี่อริยสัพย์คือศรัทธาเพิ่มขึ้นสวากขาโตนะคำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าปฏิบัติตามพ้นทุกแน่นอนเลยมั่นใจจริงๆแหละเนี่ยถ้าศึกษาเนี่ยขนาดเข้าใจขนาดนี้ยังสบายใจขนาดนี้ถ้าเข้าใจกว่านี้เห็นอย่างที่ท่านสอนทุกอย่างบรรลุแน่นอนเลยสวากขาโ ต, พ, ตามโมพระควมภีธรรมโมภาษาวกพระพุทธเจ้านะมีศีล น, นะสมบูรณ์ด้วยอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาปฏิบัติเขามีบุญจริงๆเขารู้ตามพระพุทธเจ้า เรื่มใสว่าท่านเหล่านั้นปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าซับคือศรัท ธ, ธามั่นคงแล้วก็ที่สําคัญก็กรรมัสโกมหิตเรามีกายกรร ม, มจีกรรมโนกรรมเป็นของของตนนะสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดเป็นสมบัติติดตัวของเราต่อไปนะเหมือนอะไรเหมือนเงาติดตามตัวหรือว่าเหมือนล้อเกวียนที่หมุนไปตามรอยเท้าโคฉะนั้นเพรา ะ, ะนั้นก็เนี่ยกายกรรมจีมกรรมโนกรรมทั้งหมดเป็นของเราถ้ายัางนี้เออศรัท ธ, ธาเช็คดูว่าเออศรัท ธ, ธาดีขึ้น นี้เช็คดูศีลดูเออเจตนาเว้นจากการฆ่าไม่มีสัตว์ใดๆที่สมควรถูกฆ่าเป็นต้นเนี่ยนะก็ดูเช็คดูเออเจตนาเว้นจากปาณาติบาตมั่นคงขึ้นไม่ได้หมายคำว่านั่งอยู่เฉยๆเนี่ยหลับทั้งวันบอกว่าศีนมีตลอดเนี่ยไม่ใช่ศีนเออเจตนาศีลบ่อยขึ้นนะเจตนาเว้นจากปาณาติบาตเกิดบ่อยขึ้นเจตนาเว้นจากอธินนาทานเจตนาเว้นจากการเมสุมิจฉาจารเจตนาเว้นจากมุสาวาศ หมายตอนนี้นะไม่ได้มุสาวหัะมาตั้งนานและไม่เคยพูดคำหยาบเลยไม่คุยเพย้อพูดตั้งใจพูดให้ใครเขาแตกแยกกันเลยไม่นึกไม่ออกว่าพูดเพ้อเจ้อตรงไหนบ้างละกันอะไรบั่งที่พูดแล้วไม่มีประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าหรือประโยชน์อย่างยิ่งโอ้ศินดีเหลือเกินเนี่ยเห็นเหล้าทั้งหมดทุกขวดเป็นศินของเราไปหมดเลยนะเห็นอริยทรัพย์ไปหมดหรืออุอโบสถศินเห็นอาหารทุกคำเนี่ยสินของเราทั้งนั้นแหละแต่ถ้าอย่างนี้ก็ แสดงว่าอธิสีเนี่ยอะไรนะซับคือสีนเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นแล้วเนี่ยนะไม่ไม่ควรทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพราะอะไรเพราะมีกรรมสกาสกาศรัทธาเห็นเลยว่ากายวาจาใจเนี่ยเป็นประตูแห่งสุขคติหรือทุคติเนี่ยนะเพราะละอายต่อความชั่วที่จะทำทางกายวาจาใจเกลียดความชั่วทางกายวาจาใจมากอึดอัดระอิดระอาชิงชังเนี่ยนะ แถ้าอย่างนี้ก็มีทราบคือฮิริโอตตะเกิดขึ้นละอายใจมากที่จะทําชั่วเกรงใจตัวเองจริงๆสงสารตัวเองจริงๆที่ต้องทําชั่วเนี่ยนะนึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์อุตสาห์ทําสอนเรายังชั่วขนาดนี้อยู่หรือสงสารอ ะ, ะเห็นใจพระพุทธเจ้าจริงๆเกรงใจพระพุทธเจ้าจริงๆก็เลยไม่ทําความชั่วด้วยกายวาจาใจแต่เงี้ยทราบคือฮิริโอตตะเพิ่มขึ้น แลวสับคือสุตตะน่ะนะเออพระไตรปิฎกเล่มนั้นก็เข้าใจนะเออสาระมีอยู่กี่สูตรแต่ละสูตรต้องพระองค์ต้องการบอกอะไรเราทีขณิกายทั้งสาสิบี่สูตรพระองค์ต้องการบอกอะไรเรามัชฌิมานิกายร้อยห้าสิบสองสูตรพระองค์ต้องการสอนอะไรเราสังยุตตนิกายเจ็พันเจ็ดร้อกว่าสูตรพระองค์สอนอะไรเรามัชฌิมนิกายเก้าพันห้าร้อกว่าสูตรสอนอะไรเราเนะ คุตการนิกายทั้ง15บห้าคำพีเนี่ยนะแต่ละคัมภีร์เนี่ยพระองค์ต้องการบอกอะไรเราอภิธรรม7คัมภีร์ต้องการสอนอะไรเราเข้าใจวัตถุประสงค์ทุกอย่างสิ่งเหล่านี้เราได้อ่านแล้วได้อ่านแล้วได้ฟังแล้วศึกษาแล้วความรู้ความเข้าใจเหล่านี้อยู่ในชีวิตจริงอันนี้ก็ร่ําร่วยด้วยทรัพย์คือสุตะอ่านแล้วเล่มนั้นอ่ะฟังมาแล้วเขาว่ายังไงบ้างนะอ้าวมันแล้วอ่ะแล้วความเนแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเลิกเลยจบเลยว่างั้นนะ อ้อะไรก็เรียนมาโมเรียนมาทุกอย่างจริงๆเขาบองั้นเขาเรียนเยอะนะเขาบอกเขาเรียนเยอะมากเลยเรียนอะไรบ้างมันเยอะกันแล้วกันนะนะถ้าอย่างงี้ก็ตัวใครก็ตัวใครแล้วกันนะขอให้ท่านไปดีมีสุขเถอะยังไงนะห่างๆกันหน่อยให้ดีนะกลัวจะติดเชือ้อประเภทนี้มาเพราะเชื่อแบบนี้น่ะยิ่งร้ายกว่าโรคมะเร็งเองเอกกว่านั้นนะ